แต่ก็เมื่อแรงกายลงทาไปมันก็ช้าก็ไม่เสร็จเนี่ยทำสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าเขาให้ทำในที่ที่ดินมันซ้อเนี่ยถูกน้ำเนี่ยซ้อมันก็ลึกมีคโคลนมีตมทำก็ทำยังไม่สําำเร็จทำค้างเอาไว้มนุษย์ชาวรัมมะนครก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาอาหารแล้วพระเจ้าค่าคือเขาถึงเวลาอาหารเขาจะนิมนต์พระผู้แต่เจ้า เมื่อมนุษย์เหล่านั้นกราบทูลเวลาอาหารแล้วอย่างนั้นพระทศพล น, นุ่งอันตรวาศกสองชั้นสีเหมือนดอกฉบาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจีวรสีออกแดงๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะมีผ้าที่ใช้ออกค่อนข้างแดงแต่ก็ไม่ใช่ว่าแดงแบบแดงสีเลือดไปเลยแบบนั้นนะคือค่อนข้างแดงเท่ากัคล้ายๆสีฉบางั้นสบงที่พระองค์ใช้เนี่ยประมาณสองชั้นปิดมณฑลทั้งสามก็คือหลุมคอแขนแล้วก็ที่แข้งนะ โปรงค่าพระคดเอลสีอันมีสิริเหมือนกับสายฟ้าแลบเหนืออันตรวาสกนั้นเหมือนล้อมกลองทองคล้อมกลองดอกชาบาด้วยสายสร้อยทองคือสบงเนี่ยนะสีผ้านุ่งเนี่ยเหมือนดอกชบาใช่ไหพระคดเอลเนี่ยสีเหมือนกับทองเหมือนสายสายสร้อยทองพระองค์หมบางสกุลจีวรอันประเสริฐสีแดงเหมือนดอกทองกวาวที่ชุ่มด้วยน้ำครั่ง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 ฉลาดในโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาเป็นผู้มีวิมุตต์คือสามัญญผลทั้งหลายโสดาปฏิผลสกาธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุตต์คือนิโรสมาบัติเป็นต้นผู้ประกอบในข้อปฏิบัติประจําตัวคือจารณะ15เป็นข้อปฏิบัติอย่างลงสู่อมะตะโดยส่วนเดียวเรียกว่าจารณะซึ่งบุคคลผู้ยังบุคคลผู้ปฏิบัติเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้ สู่พระนิพพานเรียกว่าจารณ1สิบห้ามีอะไรบ้างศีลอินทรสังวรโภชเนมตันยุตาชากริยานุโยก น, น, นกเรียกว่าคุณธรรม4ี่ประการเบื้องต้นแล้วก็สัทธรรมอีกเจประการสัทธรรมเจประการมีอะไรศรัทธาหิริโอต ป, ปะสุตะจากขะวิริยะเออขอไปสุตะวิริยะสติปัญญาปฐมชฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุทฌานเนี่ยนะั้น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 หรือว่าดอกบัวที่มันเกิดในบ่อน้ำครามเนี่ยดอกบัวงอกขึ้นได้ไหมแม้กระทั่งในสถานที่ที่เป็นบ่อน้ําครามทมาเมล็ดพันธุ์บัว ง, งอกขึ้นตรงนั้นถ้าเกิดมาเป็นดอกบัวดอกบัวนี้ถึงจะเกิดในบ่อน้ําคราก็ก็พะนะ้น่ะไม่มีสีแห่งน้ําคราไม่มีกลิ่นแห่งน้ําคราฉันใดพระเรียเจ้าทั้งหลายถึงจะเกิดในชาติตระกูลใดวันณะใดก็เป็นผู้หมดจดฉันนั้นหอมหวนด้วยกลิ่นของ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 ใครที่ได้เห็นอย่างที่ว่าเนี่ยทัศนานุตริยะแน่นอนผู้ใดได้เห็นก็ช่างเป็นบุญตาของผู้นั้นเนี่ยนะที่กล่าวว่าพระองค์ปราศจากราคะเนี่ยปราดด้วยอะไรสิ้นราคะด้วยราคะบางอย่างสิ้นด้วยโสดาปฏิมักบางอย่างสิ้นด้วยสกทาคามิมักบางอย่างสิ้นด้วยอน า, าคามิมักบางอย่างสิ้นด้วยอรหัตตมัก ร, ราคะที่ผสมกับมิจฉาทิฐิทุกชนิดสิ้นด้วย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 ราคาโทสะออกโมหะออกไปเนี่ยสิ้นด้วยอริยมรรคทั้งหลายอริยมรรคก็คือเป็นชื่อของคุณธรรมมีศีลสมาธิปัญญานั่นเองครั้งนั้นพระาศาสดานะสาถาเทวมนุษย์สานังเนี่ยนะาศาสดาพระาศาสดาคือผู้สั่งสอนประโยชน์ทั้งหลายอันเหล่าภิกษุผู้มีอนุภาพมากอนุภาพของท่านเหล่านั้นมีศีลเป็นต้นเนี่ยนะผู้สิ้นอาสวะผู้ได้อภิญญาหกจานวน4ี่แ 0,000 รูปเวทล้อมแล้ว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 เมื่อเขายินดีพระพุทธเจ้าด้วยพระรูปหรือด้วยเสียงหรือด้วยความเศร้ามองแห่งเครื่องนุ่งหม่มพระองค์ก็จะชักนําเขาเหล่านั้นไปหาพระธรรมนนชักนําเขาไปหาการกําหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคเขาเหล่านั้นก็จะพ้นไปจากวัตฏทุกข์เพราะการแสดงทุกอย่างของพระพุทธเจ้ารู ป, ปกายทุกอย่างที่พระองค์ประแสดงออกมาประจักษ์แก่สายตาแห่งชาวโลกสิ่งเหล่านั้นก็จะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพราะอย่างว่าชนเหลา่าใดมองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาที่เลื่อมใสดวงตาก RAW, ป็ปราศจากฟ้าคำว่าฟ้าแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เป็นอะไรนะไอตาต่อไม่เป็นต่อต่อหินต่อกระจกต่อต่อสารพัดต่อต่อเนี่ยนะจนกลายเป็นตอไปเลยเนี่ยนะไม่ใช่เพราะอ่าใครที่มองสายอ่ามองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาที่ชื่นชมด้วยสายตาอันเป็นที่รักเคยเห็นว่านกหูกตากลมเนี่ยนะ บินทลาลมมองพระพุทธเจ้าพระองค์งังพยากร์มาต่อไปนี่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอีกอกี่กับเองอีกแสนกับจะได้เป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าพานมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักเนี่ยนะไม่ใช่มองด้วยสายตาที่อย่างที่ว่าทะลึงตามองแลเตรียมผ่าตัดไว้ด้วยนะเอาเข้าคืนไงเหมือนตาปูนี่ยุ่งเลยอ่าทวนอีกครั้งว่าพระพุทธลีลาทั้งหมด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 <c oughs> เพราะว่าพุทธเจ้ม า, มามีสามประเภทในการสั่งสมบารมีคือสัทธาปัญญาธิกะสัทธาธิกะและวิริยาธิกะนั่นเองเพราะฉนั้นกุศลที่สั่งสมมาเนี่ยนะบันดาลเรียกว่าบุญบันดาลให้งดงามประหนึ่งเท้าสหัสไนเท้าสกะเนี่ยนะท้าสกะท่านยกตัวอย่างว่าผู้มีดวงพระเนปพันดวงคือตาไม่ใช่ว่าถูกถ้าตาพันตาเลยเนี่ยน่าจะน่าเกลียดขนาดไหนไม่ใช่อย่างนั้นคําว่า เท้าสหัสไนแปลว่าผู้มองอะไรแว็บเดียวเนี่ยเหมือนคนตั้งพันคนคิดอ่ะคิดแปดเดียวเนี่ยเหมือนคนพันคนเขาใช่คะ่ะคิดคนเดียวนะเหมือนคนพันคนคิดเพราะฉนั้นก็เลยเรียกว่าเท้าสหัสไนเหมือนมีตาพันตาบา ง, งานันมองแบบแปดเดียวเนี่ยความฉลาดของท่านเหมือนกับเท้าสักกะมีเทวดาเวดล้อมเหมือนเท้าหาริตะมหาพรหมเนี่ยนะมหาพรหมที่หมู่พรหมทั้งหลายเวดล้อมเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์ที่หมู่ดาวเวดล้อม อนายกสามตัวอย่างใช่หเหมือนไหนเหมือนพระอินเหมือนพระพรหมและเหมือนดวงจันทร์ที่มีบริวารเวทล้อมชันใดพระพุทธเจ้าก็มีพระสงฆ์สาวกแวดล้อมฉันนั้นเขาว่าเหมืนอนวนนี้ไม่เพาะเลยได้ยินว่านะกีระยังพอส้ำแข็งชั่วหน่อยอได้ยินว่าด้วยพระสมีมีสีเหมือนทองเหมือนทองคำเพราะผิวยังไงมันก็เป็นทองไปไม่ได้แต่ว่าเหมือนละไมคล้ายเคลืองอ่ะเป็นไปได้สีเหมือนทอง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 บางทีเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงแบบมีพระรัศมีแบบเป็นธรรมดาแล้วก็พระภิกษุทั้งหลายแวดล้อมอยู่บางทีก็ด้วยพระพุทธลีลาทุกอย่างนะที่ควรจะมีเพื่ออะไรเพื่ออย่างว่าปาฏิหารทุกอย่างที่พระองค์ทำเพื่ออะไรเพราะว่าปาฏิหารแปลว่ากาจัดความไม่เลื่อมใสเป็นต้นเนี่ยนะทาลายทิฏฐิมานะความไม่เลื่อมใสของหมูสัตว์ให้สัตว์ทั้งหลายเจริญด้วยศรัทธาวิริยะ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 ถ, ถ้าสั่งสมมิติพิโสมาอิติปิโสพระว า, ารหังสัมมาสัมพุโทโธที่จริงเนี่ยถ้าใครฝึกสันเสิพระพุทธพระพุทธคุณ พ, พุทธานุสติเอาไว้แม่นๆม่นเนี่ยนะพอมองเห็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนีอิติปิโสไว้ในใจเลยนะแต่ถ้าว่าเป็นภาษาเราที่เราคุ้นเคยถนัดจะดีที่สุด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 แบนแ น, น, น่หรือไม่ก็จมไปนานแล้วนะแต่ว่าสละชีวิตแล้วนะจริงพระ อ, องค์ไม่ทำอย่างนั้นหรอก <c oughs> ก็เลยคิดในใจว่าขอพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายทรงเหยียบเราเป็นสะพานที่มีแผ่นกระดานเหมือนแก้วผลึกเถิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน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 เราเมื่อกล่าวว่าพุทโธพุทโธก็ทราบซึ้งโสมนัสปีตินะสำหรับคือท่านเนี่ยสุเมธบันเดตเนี่ยท่านผ่านการสั่งสมบุญมามากมายท่านสั่งสมบุญเจริญพุทธานุสติเป็นต้นมามากพันหรือกล่าวคาว่าพุทธังสารนังคัจฉามิซ้าย้ำ อ, อยู่ในใจมาหลายพบหลายชาติพันคําว่าพุทโธนี่จึงจึงเป็นคําที่ท่าน บอ่มันไม่มีคำไหนมันดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีคำใดที่เพราะกว่านี้อีกแล้วในบรรดาที่พูดถึงหมู่คนทั้งหลายก็เลยปีติทราบซึ้งมากเนยนะของเราก็บอกโอยฟังมาจนเบื่อแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไงนะยังไม่ขนาดนั้นบ้างเนาะย่างนะเรายินดีปีติใจแล้วเนี่ยนะทั้งยินดีด้วยทั้งปีติเกิดขึ้นด้วย ยืนคิดในที่นั้นว่าจำเราจักปลูกพืชทั้งหลายพืชในที่นี้หมายถึงบุญกุศล น, น, นะนะพราะบุญกุศลเนี่ยเปรียบเหมือนกับพืชเหมือนกับต้นไม้เพราะผลิต ด, ดอกออกผลได้ฉันใดกุศลก็ฉันนั้นเราจะต้องปลูกพืชคือบุญกุศลลงในพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรขณะนี้ขอขณะอย่าได้ล่วงเลยเราไปเปล่าเลยในขณะแบบนี้หาได้ยากยนะนะสำหรับนักลงทุนก็เรียกว่าขณะนี้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 ขนทางในครั้งนั้นเราก็คิดว่าพุทโธแสดงว่าขุดดินทีหนึ่งก็พุทโธพุทโธก้าวขยับตัวทุกขยับก็พุทโธพุทโธหมดนะใจคิดถึงแต่พุทโธกงานที่กําลังทําอยู่งั้นใครทําอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธบ้างนะแต่ว่าบางท่านก็เลยบอกว่าโดยที่สุดแม้แต่หายใจยังพุทโธเลยเบ้างนหายใจว่าไงบอกว่าพุทโธพุทโธไงบ้างแต่ถ้าใครที่ทราบซึ่งในพระคุณมามันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่าร้องเรียกชื่อพร่ำไปเรื่อย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 เมื่อโอกาสของเราคือสถานที่เรารับผิดชอบงานไม่ทันเสร็จพระชินะมหามุนีทีปังกรโอ้เพราะว่าชื่อในโลกนี้ไม่มีใครชื่อยาวเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะชื่ออรหันด้วยสัมมาสัมพุทโทววิชาจารณะสัมปันโนถ้าเป็นอะไรนะั้นในคัมภีคำพีศับเรียกว่า อ, อภิธานพุทโธทัศพโลสัทธาสัพพัญยูวรุตตโมอะไรยังมีชื่อเยอะๆไปหมดชื่อยาวที่สุดก็เพื่อนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจำชื่อพระพุทธเจ้าได้นี่จะฉลาดไม่ใช่น้อย บอกว่าเฮ้ยจำชื่อคนนั้นก็ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ได้จําชื่อพระพุทธเจ้าได้นี่วิเศษสุดเพราะชื่อคนนั้นจําแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไม่ทราบนันก็ชื่อพระพุทธเจ้านี่แหละอย่างน้อยก็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่ผ่านสมบัติใช่จะหาได้ยากะนะทัชชินะมหามุนีแล้วก็ทีปังกรชินะเนี่ยผู้ชนะมารหามหามุนีก็คือเนื้อกว่าเสอะอาคารามุนีอนาคารามุนีวิเศษกว่าเสขมุนีอเสขามุนีวิเศษกว่า สาวกะมุนีแล้วก็ปัจเจกมุนีเรียกว่ามหามุนีเลิศ ก, กว่ามุนีทุกประเภท น, นะพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสี่แสนรูปซึ่งมีภิกษุสี่แสนรูปเมียพิญญาหกทุกอง์หะได้หมดเลยผู้คงที่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 เพราะเราทำไมไม่ไปไปหวั่นไหวไปเดือดร้อนอะไรล่ะก็เพราะว่าสิ่งนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ชอบไม่ได้เพลิเพลินไม่ได้เป็นที่ยังใจของเราให้ยินดีเท่าไหร่นี่นะมันเราก็เลยเฉยๆฉยถ้าหากว่าเราไม่มีตันหาโดยประการทั้งปวงเราก็จะมั่นคงเช่นนั้นตลอดไปเนี่ยนะบรรพารนทั้งหลายจึงเป็นผู้คงที่แล้วก็สิ้นอาสวะผู้ไร้มนทินมนทินนี่แรี ว, ว่าความเศร้าหมองเนี่ยนะมนทินคือความเศร้าหมอง มนทินคือราคะโทสะและโมหะธาหัานเหล่านั้นไร้มนทินคือราคะโทสะโมหะ